คนเรามีกับกายกับใจกายกับใจนี่ก็สัมพันธ์กันมากถ้าใจไม่ดีนะใจเป็นทุกข์ก็ฉุดกายให้เป็นทุกข์ไปด้วยอย่างเมื่อวานนี่ก็ได้พูดถึงว่าความเครียดเนี่ยมันเป็นสาเหตุแห่งความเจ็บป่วย หรือว่าบางครั้งก็ทำให้อายุสั้นอย่างไรบ้างอย่างที่เขามีการวิจัยว่าคนที่คุมหรือจัดการกับความเครียดไม่ได้นี่ก็มีโอกาสที่จะตายมากกว่าการสูบบุหรี่ได้ซ้าหรือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่แรงกว่า การสูบบุหรี่แนละเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะดูแลจิตใจจึงเป็นเรื่องสำคัญมากความเจ็บป่วยมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดจากความเครียดหรือว่าความโกรธความ กังวลอย่างเดียวเมื่อวานนี้ก็จะไปเน้นหนักตรงนี้เยอะว่าอารมณ์เป็นอกุศลนี่ทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างไรบ้างแต่ว่าความเจ็บปวดเนี่ยมันก็มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยนะไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดจากาเรื่องของจิตใจอย่างเดียว อาจจะจะเกิดจากสาเหตุทางกายก็ได้อาจจะเกิดจากดินฟ้าอากาศก็ได้อาจจะเกิดจากทา่าแปรปรวนก็ได้หรือเกิดจากกรรมก็ได้อันนี้พระพุธโธมได้จําแนกไว้ว่ามีหลายประการมากนื่องจากไปมองแบบสุดโตงว่าต้องเกิดจากการวางจิตวางใจไม่ถูกอย่างเดียวหรือบางคนก็ไปคิดว่ามันเป็นเรื่องของ กรรมในอดีตชาตินะอย่างเดียวมันไม่ได้ชัดเจนหรือว่ามีแค่ปัจจัยเดียวเท่านั้นนะปัจจัยอื่นๆก็มีมากมายคราว น, นี้เนี่ยบางคนก็อาจจะเจ็บป่วยเพราะสาเหตุทางกายแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องละเลยเรื่องทางใจนะเพราะว่าถ้าวางใจไม่เป็น ให้ความเจ็บป่วยทางกายก็อาจจะลุกลามหนักหนาขึ้นกว่าเดิมมีคนหนึ่งเป็นชาวบ้านก็ป่วยโดยไม่รู้สาเหตุก็ไปหาหมอเที่ยวเข้าเที่ยวออกอยู่นั่นแหละไม่รู้เป็นอะไรแล้ววันหนึ่งหมอก็บอกกับคนไข้ว่าป้าป้าเป็นอะไรนะอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนนะ แ่ตกใจมากนะทำใจไม่ได้อยู่ได้แค่สิบสองวันนะก็ตายนัถามว่าทำไมถึงตายเร็วอย่างนั้นนะคงไม่ใช่ตายเพราะก้อนมะเร็งเป็นหลักนะอาจจะเป็นเพราะว่าจิตใจที่วิตกกังวลหรือกลัวตื่นตระหนกมากความวิตกกังวลความตื่นตระหนกหรือความเครียดเนี่ยมันก็ทําให้ อาการทางกายรุนแรงยิ่งกว่าเดิมบางทีโรคอาจจะเป็นอะไรไม่มากนะแต่ว่าพอจิตไปเกิดความวิตกกังวลก็ทำให้อาการหนักกว่าเดิมมีคนไข้คนหนึ่งแกก็เป็นคนแข็งแรงนะนะเป็นผู้ชาย แต่ตัวซีดสุดท้ายก็ไม่มีเรื่องไม่มีแรงก็เลยต้องไปหาหมอไปหาหมอนี่ไม่มีแรงเดินนะต้องนอนเปลเพิินหมอที่ดูแลคนไข้คนนี้เนี่ยนะเป็นเป็นหมอที่เชี่ยวชาญด้านเรื่องเรื่องเลือดโลหิตวิทยาคือคุณหมอประเวศ็สี ยหเพราบาลก็เขียนเตียงมาให้คุณหมอเขียนคนไข้ไม่ให้คุณหมอตรวจก็พูดคุยกับคนไข้สักพักแล้วก็ดูอากา ร, รก็หันไปคุยกับหมอที่ฝึกใหม่นะวา่าคนไข้คนนี้ไม่เป็นอะไรหรอกรแค่เป็นโรคพยาติปากขอเลือดจางจเดี๋ยวให้เหล็กให้กินเหล็กสักอ่า ชักอาทิตย์หนึ่งนะก็จะดีวันดีคืนผู้จบก็หันไปที่คนไข้บอกว่าคนไข้นี่ลุกขึ้นมาได้เลยแล้วก็บอกคุณหมอว่าเนี่ยหมอถ้ามันหายง่า ย, ยานี่ผมก็ไม่ต้องใช้เตียงนี่ละล่ะนะแล้วก็เข็นเตียงไปที่ชิดข้างฝาเลยคือเรียวแรงกลับมาทันทีเมื่อรู้ว่าตัวเองนี่ไม่ได้เป็นอะไรมากนอกจากเป็นพยาธิแต่ทําไมทีแรกเนี่ย ถึงไม่มีแรงนะเป็นแค่พยาศปาาคอทำไมถึงไม่มีแรงแม้แต่จะเดินมาหาหมอต้องนอนอันนี้ก็เพราใจนั่นเองนะพอรู้เห็นตัวเองซีดก็คงปรุงแต่งนะว่าตัวเองเป็นมะเร็งหรือเปล่านะไตวายไหมนะคิดไปโน่นนะคิดไปไกลคิดแต่คิดไปถึงแต่โรคลายทั้งนั้นแล้วก็เชื่อด้วยเชื่อความคิดของตัวด้วย คือปรุงแต่งแล้วไม่เป็นไรแต่พอไปเชื่อความคิดที่ปรุงแต่งเนี่ยร่างกายนี่มันก็เชื่อตามนะมันก็เลยป่วยก็เลยไม่มีแรงแจนให้ต้องให้พยาบาลเข็นไปหาหมออันนี้เรื่องจิตใจสาคัญมากนะถึงแม้ว่าโรภาคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นอาจจะไม่เกิดหรือมีสาเหตุมาจากจิตใจแต่พอวางใจไม่เป็นเนี่ยเช่นวิตกกังวล นะตื่นตระหนกเนี่ยก็ทำให้อาการสุดหนักนะเห็นผลทันทีเลยนะไม่ต้องรอให้มันสะสมอย่างที่พูดเมื่อวานนะแต่มันเกิดขึ้นทันทนะีเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการรับมือความเจ็บป่วยเนี่ยนะสิ่งสำคัญอย่างห น, นะนึ่งนอกจากการดูแลทางกายให้ดีแล้วนะเรื่องการดูแลจิตใจก็สำคัญมาก ถ้าเราดูแลจิตใจดีนะไม่ให้วิตกกังวลก็จะช่วยทำให้อาการเนี่ยมันไม่เลวร้ายยิ่งกว่าเดิมหรืออาจจะดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้แต่อย่างน้นอยๆ เ, เนี่ยมันจะไม่เลวกว่าเดิมนะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สาคัญมากนะในเรื่องอการดูแลรักษาจิตใจก็คือการอยอรับความจริง คนเราถ้าอยอมรับความจริงได้เนี่ยมันก็จะช่วยลดความทุกข์ในจิตใจไปได้เยอะถามว่าวิตกกังวลเพราะอะไรถามว่าตื่นตนอนหนกเพราะอะไรก็เพราะไม่อยอมรับความจริงโดยเพราะคนที่รู้ว่าตัวเองเป็นปโรครายเนี่ยจะไม่ยอมรับนะซึ่งมันก็เป็นธรรมดาเป็นปฏิกิริยาแรกของคนเวลาเจอข่าวร้าย ไม่ใช่ข่าวร้าที่เกิดกับตัวเท่านั้นแต่เกิดกับคนอื่นที่ตัวเองรักนะก็จะไม่ยอมรับเช่นพอได้ข่าวว่าลูกเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุหรือคนรักตายหรือว่าบ้านไฟไหมเนี่ยความรู้สึกอย่างแรกที่เกิดขึ้นคือไม่เชื่อไม่ยอมรับเป็นไปไม่ได้ไม่จริงฝันไปหรือเปล่าอันนี้เรียกว่าเป็นปฏิเสธหรือคนที่เวลาพราะว่าตัวเองเป็นมะเร็งเนี่ยหรือเป็นเอชเนี่ย ก็จะไม่ยอมรับหมอพูดผิดหรือเปล่านะตรวจตรวจดีแล้วหรือยังเนี่ยมันจะไม่ยอมรับแบบนั้นแล้วก็จะทำให้เกิดความวิตกกังวลมากแลนะสิ่งหนึ่งที่ช่วยคลายคลายความวิตกกังวลที่จะไม่ไปซ้ำเติมร่างกายก็คือการที่เรายอมรับความจริงเราจะเอาความ ความชอบของเรามาเป็นหลักไม่ได้ เ, เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าเราหยาละความจริงได้เนี่ยเราจะหันไปมองข้างหน้าแต่ถ้าเราอยาละความจริงไม่ได้เนี่ยมันจะจิตใจมันจะบ่นตีโพยตีภายกล่นดาชะตากรรมทําไมต้องเป็นชั้นแล้วก็คิดอยู่แค่นั้นแหละนจนบางทีกินไม่ได้นอนไม่หลับซึมแต่ถ้าเกิดว่าเราหยาละความจริงได้เนี่ยก็สามารถจะมองไปข้างหน้า แล้วก็หาทางเยียวยาตัวเองได้และถ้ายอรับความจริงแล้วเนี่ยบางทีนะมันทำให้จิตใจโปร่งเบาจนกระทั่งอาจจะทาให้อาจจะชดให้ร่างกายเนี่ยดีขึ้นก็ได้เมื่อตอนที่ธมาไปอยู่ที่วัดอมารวดีประเทศอังกฤษนะยปีที่แล้วเนี่ยก็มีพระรูปหนึ่งซึ่งอยู่ในสำนักที่เป็นสาขา ของวัดอมารดนะีท่านป่วยแล้วท่านก็ป่วยกระสอบกระแสะมาเลืออ่อยครับตอนหลังเนี่ยอาการก็แย่ลงร่างกายก็สุดผอมเพื่อนพระด้วยกันรวมทั้งแม่ชีก็พยายามที่จะนะช่วยดูช่วยพาท่านดูแลท่านพาไปหาหมอโน่นหมอนี่อาการก็ไม่ดีขึ้นเลยไม่ว่าจะเป็นหมอสมัยใหม่หรือหมอทางเลือกนะจนกระทั่งต้องนอนทุดนอนแบบ นะอยู่ที่ที่วัดใครไปใครมาก็เยี่ยมเย็ยมให้กำลังใจบอกให้ทำใจสู้นะหลายคนมาก็ถามว่าสบายดีไหมดีขึ้นหรื อ, อยังนะท่านก็ต้องก็เก่งใจเพื่อนก็ต้องบอกว่าเออดีขึ้นแล้วแต่ก็ดีขึ้นประเดี๋ยวเดียวก็สุดใหม่สุดลงไปอีกนะก็สุดไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งหน้าเป็นห่วงว่าจะจะอยู่รอดหรือเปล่านะ เพื่อนๆก็คอยลุ้นคอยให้กำลังใจนะมียาอะไรก็แนะนำแต่ก็ไม่ดีขึ้นแล้ววันหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อสุเมโทท่านก็ไปเยี่ยมนะคนไข้ก็อาการหนักแล้วนะท่านก็บอกว่าท่านก็ท่านก็เรียกชื่อนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าท่านจะตายก็ตายได้นะทางวัดไม่ว่าอะไร พอได้ยินเช่นนี้นี่คนไข่นี่ก็ร้องไห้เลยนะไม่ได้ร้องไห้ด้วยความเสียใจนะแต่ร้องไห้ด้วยความปรับปลื้มแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นคนไข้ก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้ น, นจนกระทั่งหายเลยนะแล้วก็แต่ตอนหลังก็สึกษาลาเพศไปตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่คือที่ท่านร้องไห้ก็เพราะท่านรู้สึกว่าท่านรู้สึกโล่งอกก่อนหน้านั้นเนี่ยรู้สึกว่าตายไม่ได้ เพราะถ้าตายแล้วเนี่ยจะทำให้เพื่อนทุกข์ก็พยายามต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บพยายามฝืนอาการและการที่ฝืนต่อสู้เนี่ยไม่ยอมรับความเจ็บความป่วยเนี่ยก็ทำให้ท่านเนี่ยเป็นทุกข์เพราะว่าอาการนี่มันก็แย่ลงพอแย่ลงเนี่ยใจก็ยอมรับไม่ได้เพราะต้องการต่อสู้พอแย่ลงเนี่ยอาการมันก็แย่ลงหนักเข้าไปอีกแต่พอหลวงพ่อสุเมโทมาเยี่ยมแล้วก็อนุญาตให้ตายไ ด, ได้เนี่ย ท่นก็รู้สึกว่าเออโล่งอกนะจะ ต, ตายก็ตายได้แล้วไม่รู้สึกผิดอะไรไอ้ความรู้สึกที่โล่งอกโล่งใจสบายเนี่ยไม่ต้องคอยลุ้นตัวเองต่อไปเนี่ยมันกลับกลายเป็นของดีนะก็คือว่าพอใจสบายแล้วเนี่ยก็ทำให้จิตร่างกายดีดีขึ้นแล้วก็กระตือขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเลยมันก็แปลกนะไม่อยากตายเนี่ยกลับทำให้อาการแย่ลงจนใกล้ตาย แต่พออยากจะตายขึ้นมานี่หรือพร้อมจะตายนี่กลับทําให้ร่างกายดีขึ้นอันนี้พราะอะก็เพราะไม่วิตกกังวลเรื่องแบบนี้ก็เคยมีนั้นในสายพุทธกาลตอนนั้นตอนที่อ่านเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องที่เรื่องที่จะเล่าเนี่ยก็ไม่ค่อยเชื่อนะว่าเป็นจริงหรือเปล่าแต่พอมาได้เจอกับเหตุการณ์ของพระรูปที่ว่าเนี่ยก็ทําให้เชื่อเลยว่าเออเรื่องที่เล่าในพระไตรปิฎกนี้น่าจะเป็นความจริงนะ เพราะว่าในปัจจุบันมันก็เป็นอย่างนั้น เ, เป็นเรื่องของน ก, กูลปิดาก็คือปิดาของอุบาสกที่ชื่อนกกลเป็นอุบาสกที่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้ามากแล้วก็ว่ากันว่าเคยเป็นบิดาของพระพุทธเจ้าในชาติที่แล้วในชาติก่อนๆแล้วก็มีคราว น, นักกุลบิดาเนี่ยก็ป่วยหนักป่วยสุดหนักลงไปเรื่อยๆนะ แล้วก็ท่าทานก็จะยังไม่ไม่ยอมตายง่ายๆดูอาการกระสับกระส่ายทุรนทุรายภรรยาที่เรยนักนกุลบิดานักกุลมารดาก็เลยพูดกับสามีว่าท่านอย่าห่วงนะว่าข้าพเจ้าเนี่ยจะเลี้ยงลูกแล้วก็ดูแลบ้านไม่ได้ข้าพเจ้ารับปากว่าจะดูแลได้ท่านอย่าห่วงนะว่าข้าพเจ้านี่จะไปมีชายอื่นข้าพเจ้านี่จะไม่มีชายอื่น แล้วก็ท่านอย่าห่วงนะว่าข้าพเจ้านี่จะไม่ไม่ไปหาหรือไปฟ้าพระพุทธเจ้าแล้วพศาวกข้าพเจ้าก็จะยังทําอยู่ท่านอย่าห่วงนะว่าข้าพเจ้านี่จะไม่รักษาศีลข้าพเจ้าจะยังรักษาศีลต่อไปท่านอย่าห่วงนะว่าข้าพเจ้านี่จะไม่ไม่มีทางพบความสงบใจข้าพเจ้านี่ก็จะรักษาใจให้สงบได้ ท่านก็พูดไปเรื่อยๆนะเพื่อที่ทําให้นกูลบิดาเนี่ยคลายความกังวลนะจนกระทั่งสุดท้ายก็บอกว่าท่านอย่าห่วงนะว่าข้าพเจ้านี้จะพึ่งตนไม่ได้นะข้าพเจ้าจะจะพึ่งตนได้พอพูดจนถึงตรงนี้เนี่ยปรากฏว่านกูลบิดาเนี่ยก็หายเลยนะอาการหนักที่กระสับกสายเนี่ยหายไม่ใช่แค่จิตใจที่หายกระสับกรส่ายแต่ว่าสุขภาพก็ ดีขึ้นด้วยนะในสุดก็กลับมาเป็นปกติไดนะ้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกนะแต่ว่ามันก็เป็นไปได้เพราะว่าขนาดพระองค์ที่ว่าที่อรตมาเล่าเนี่ยท่านก็จะตายจะตายก็กลับดีขึ้นมาได้เพียงแต่ว่าวิธีการในการที่จะปลดเปลื้องความกังวลนะก็มีวิธีการต่างกันแต่พอหายกังวลแล้วเนี่ยก็จะดีขึ้น ดนั้นความวิตกกังวลความตื่นตระหนกความกลัวนี่มันเป็นอุปสรรคสําคัญมากสําหรับอาการสําหรับผู้ป่วยแต่ว่ากอา็อย่าไปหวังว่าเออถ้าหายวิตกกังวลแล้วนี่มันจะหายป่วยนะอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยทาให้ไม่ทุกข์ใจและพอไม่ทุกข์ใจแล้วเนี่ยก็ทําให้อาการเนี่ยไม่ไม่ซุดหนักกว่าเดิมแล้วคนเราเนี่ยป่วยกายได้นะแต่ว่า ถึงแม้ป่วยกายแล้วไม่ได้แปลว่าจะต้องป่วยใจด้วยแต่สิ่งที่ทําให้ป่วยใจนะก็คือความวิตกกังวลความกลัวนะซึ่งก็เกิดจากการที่ไม่ยอมรับความจริงนะแต่ถ้ายอมรับความจริงได้นี่ความวิตกกังวลหายหรือยอมรับความจริงได้แม้ก็ไม่ใช่เพียงแค่ยอมรับว่าตัวเองกําลังป่วยหนัแต่ยอมรับว่าตัวเองกําลังจะตายยอมรับความตายได้นี่มันก็ทําให้อาการเนี่ยดีขึ้นได้เหมือนกันนะ เมื่อเราการยลความจริงได้เพราะอะไรเพราะว่าอยู่กับปัจจุบันคนเรายลความจริงไม่ได้เพราะใจไม่อยู่กับปัจจุบันเช่นพอรู้ว่าตัวเองป่วยหนักเป็นมะเร็งเนี่ยก็คิดถึงอนาคตแล้วว่าฉันจะตายอย่างไงฉันจะตายแบบทุลนทุลายเหมือนคนอื่นเขาไหมใครจะดูแลฉันจะมีเงินหรือเปล่าดูแลรักษาอย่างไงแล้วลูกหลานฉันจะเป็นยังไงคิดไปข้างหน้าข้ามชอดไปนโน่นทั้งนั้นที่อาจจะเป็นมะเร็งแค่ขั้นที่หนึ่ง นะแต่ว่าคิดไปไกลแล้วว่าถึงตอนที่ตัวเองนี่พังงาพังงาแ ล, แล้วคนที่คิดแบบนี้ไม่มีใครที่มีความสุขไม่มีใครที่จ ะ, ะจิตใจโปร่งเบาได้ยิ่งคิดไปข้างหน้านก็ยิ่งวิตกกังวลก็ไปใหญ่หรือบางทีก็หวนนึกไปถึงอดีตว่าสมัยที่ฉันสบายนี่นะฉันสมัยที่ฉันปกตินี่ฉันทําอะไรก็ได้ไปเที่ยวก็ได้แต่ตอนที่ฉันเที่ยวไม่ได้แล้ว ไอ้ความนึกขิด น, นึกคิดถึงความสุขในอดีตเนี่ยมันทำให้ยอมรับความจริงในปัจจุบันไม่ได้ว่าตอนนี้เจ็บตอนนี้ป่วยนะจะเที่ยวจะไปสนุกสนานเหมือนเดิมไม่ได้จิตใจที่มันไปอยู่กับอดีตก็ตามไปอยู่กับอนาคตก็ตามเนี่ยมันทำให้ยอมรับความเจ็บป่วยไม่ได้แล้วก็ทาให้ทุกข์หนักกว่าเดิมทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่กับปัจจุบัน นะใจอยู่กับปัจจุบันไม่ไปไม่ไปอะไรอดีตไม่ไปกังนวลกับอนาคตนะก็จะทําให้เราเนี่ยมันก็จะลดความทุกข์ไปได้เยอะนะความทุกข์ที่ปรุงแต่งขึ้นมาจากใจที่ไม่อยู่กับปัจจุบันนี่มันมากนะเพียงแค่ระวังใจอยู่กับปัจจุบันถามตัวมาตอนนี้เนี่ยเราเป็นยังไงมีความสุขไหมเราเดินเหินไปไหนบ้าได้ไ ด, ได้หรือเปล่าเราทําอะไรได้ไหมนะอย่าไปมองข้างหน้าว่าโอ้ชาติฉัน ถ้าฉันอาการหนักนี้ฉันจะต้องนอนแบบทําอะไรไม่ได้เป็นภาระกับคนอื่นเป็นภาระกับลูกเป็นภาระกับครอบครัวคิดแบบนี้นี่ไปเลยนะกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะวันนี้เป็นยังไงวันนี้ดีขึ้นเอาวันนี้สบายไหมทําอะไรได้หรือเปล่าถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ยเราจะมีความสุขเราจะเปิดจิตใจเราจะเปิดรับความสุขกินข้าวก็อร่อยฟังเพลงก็เพลินนะคุยกับลูกก็มีความสุขนะ จะไปเที่ยวที่ไหนจิตใจก็ชื่นบานเพราะว่าไม่ไปกังวลกับอนาคตนะแต่ไม่ได้หมายความไม่เตรียมตัวนะเตรียมตัวก็เตรียมไปใจแต่อย่าเตรียมด้วยความกังวลอันนี้พอใจเราอยู่กับปัจจุบันแล้วเนี่ยเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขได้ง่ายถึงแม้จะเจ็บป่วยเจ็บป่วยกายแต่ว่าก็อย่าไปอย่าไปปฏิเสธความสุขที่มีอยู่ในปัจจุบันนะพระรุจ้าตรัสว่า วิธีการเกี่ยวข้องกับความสุขและความทุกขเนี่ยมีอยู่4ประการข้อแรกคือว่าอย่าเอาทุกมาทับถมตนคือทุกกายนี่ก็พอแรงแล้วนียอย่าเอาทุกใจนี่มาทับถมตนนะคนส่วนใหญ่นี่ข้อแรกนี่ก็ไม่ผ่านแล้วนะคือพอเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยมันป่วยกายอย่างเดียวก็ไปเอาความป่วยใจมาซ้ําเติมตัวเองหรือบางคนของหายนะ แทนที่จะหายแต่ของนะก็ใจก็หายด้วยกังวลอยู่นั่นแหละกับข้าวของที่หายทาั้งทั้งที่เอาคืนมาไม่ได้แล้วอันนี้ก็เรียกว่าเอาทุกมาทับถมตนข้อที่สองเนี่ยก็คืออย่าปฏิเสธความสุขที่ได้มาโดยชอบทำนะความสุขที่ได้มาโดยชอบธรำนี่เราอย่าปฏิเสธคือบางทีความสุขที่เราไม่ต้องไปหามานะมันมาเองนะเช่น อยู่ตรงนี้ก็ได้ยินเสียงนกเสียงไก่นะได้ยินได้สัมผัส ก, กับธรรมชาตินี่ครับคือความสุขที่ได้มาโดยชอบธรรมไม่ต้องไปดิ้นรนแสวงหาด้วยซ้ำแต่หลายคนเนี่ยไม่สามารถจะสัมผัส ก, กับความสุขอย่างนี้ได้บางทีแม้แต่จะได้ยินก็ไม่ได้ยินนะเสียงนกร้องภาพที่ขึ้นสวยงามก็มองไม่เห็นเพราะใจเนี่ยมันไปกมวกับความทุกข์เพียงแค่ระวางนะวางเรื่องนี้ซะ เปิดใจอยู่กับปัจจุบันก็จะสัมผัสความสุขได้ความสุขที่เกิดจากาเพลง เ, พเสียงเพราะๆมากระทบกับหูเราก็รับไม่ปฏิเสธนะพุทธศาสนาไม่ไม่สอนให้ปฏิเสธความสุขเหล่านี้นะแม้จะเป็นความสุขที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ตามแต่ว่าอย่าไปยึดติดมันแค่นั้นเองนะไม่ยึดติดแต่ไม่ปฏิเสธนะ กินอาหารอร่อยก็รู้ว่ามันอร่อยนะไม่ปฏิเสธแต่คนที่กังวลจมอยู่ในความทุกเนี่ยมันจะไม่รับรู้อะไรเลยนะจมอยู่นั่นแหละนะแต่ถ้าเราลองนะมาอยู่กับปัจจุบันความสุขมันก็หาได้ไม่ยากอยู่อย่างมีความสุขนะและอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการมองด้วยนอกจากการที่เราจะมีสติไม่ไปจมอยู่กับความทุกข์ไม่ไปจมอยู่กับอดีต ท, ที่เคยสวยงามหรือไม่ไปกังวลกับอนาคตที่ ดูมันหมดมองแล้วเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่การมองให้เป็นด้วยอย่างที่เคยเล่าไว้นะแต่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ได้ยินมีคนนึงแกเป็นโรคธาลัสซีเมียธาลัสซีเมียที่เป็นโรคเลือดแล้วแกก็เป็นมาตั้งแต่เกิดหมอบอกว่าจะอยู่ได้ไม่ถึง2ี่ปีนะแกก็อยู่มาได้จนสาสิบแล้วเป็นผู้หญิงนะพี่น้องร่างกายเหมือนกันเลยคือแครกกันแล้วก็มีโรค มีโรคโน้นโรคนี้เป็นประจําเพราะโรเลือดเลือดไม่ดีกระดูกก็เปราะนะถ้าล้มลงไปก็อาจจะขาหักแขนหักได้คนน้องนี่เข้าเฟื่อมาสิบสี่ครั้งแล้วแต่ทั้งสองคนนี่มีอย่างหนึ่งนอกจากป่วยเหมือนกันแล้วอย่างหนึ่งที่เหมือนกันก็ ค, คือเป็นคนมีความสุขเป็นคนมีความสุขแล้วคนพี่นี่เขาบอกว่าเนี่ยว่าถึงแมเ้เลืองฉันจะแย่นะแต่ฉัน มีตายังมีตาเห็นสิ่งสวยงามฉันยังมีหูฟังเสียงที่ไพเละฉันยังมีปากไว้กินของอร่อยได้แล้วก็ฉันยังมีร่างกายที่เดินเหินไปไหนมาไหนได้เพียงแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะความสุขมหาได้ง่ายนะเ ธ, เธอบอกอย่างนี้ความสุขมหาได้ง่ายถ้าคนที่ป่วยเนี่ยนะจริงๆเขาเพียงแค่อวัยวะบางส่วนนั่นเองที่มันไม่ไมปกติ เช่นปอดบ้างหรือว่าอาจจะตับหรือไตบ้างหรืออาจเป็นหน้าอกมดลูกอะไรบ้างแต่ว่าอย่างอื่นก็ยังดีนะอย่างอื่นก็ยังดียังปกติไอ้ส่วนที่ไม่ดีเพียงแค่หนึ่งส่วนนะอีกสาสิบสองส่วนอีกเกสบส่วนก็ยังดีอยู่ก็ยังสามารถที่ทำให้เราอยู่อย่างปกติสุขได้นี่ถ้าเรามองแบบนี้เนี่ย ก็จะไม่จมอยู่กับความสิ้นหวังความท้อแท้นะอย่าไปอยู่อย่าไปอย่าไปกังวลกับสิ่งที่เราเสียไปแต่ควรหันมาชื่นชมกับสิ่งที่เรามีนะถ้าเราชื่นชมกับสิ่งที่เรามีแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าโอ้ฉันยังโชคดีอยู่เยอะถ้าคนเรามักจะเป็นอย่างนี้นะคือเวลาสูญเสียอะไรไปเนี่ยก็จะจมอยู่กับสิ่งนั้นไม่ได้หันมามองว่าโอ้ฉันยังมีสิ่งดีๆอีกต้องเยอะ เมื่อตอนเดือนพฤษภาเนี่ยปีนี้เนี่ยมันก็มีร้านอาหารชื่อดังร้านนึงเนี่ยถูกเผาไปก็มีสาขายอยู่หลายสาขาตอนเดกาพฤษภาก็ถูกเผาไปสีสาขาผู้จัดการแล้วก็ลูกน้องก็มาก็มาก็มารายงานด้วยความเศร้าเสียใจกังวลมากกับเจ้าของก็ก็เป็นซีอโอด้วย ก็เป็นผู้ก่อตั้งเจ้าของฟังแล้วเขาก็ยิ้มนะเขาก็บอกว่าเนี่ยเราถูกเผาไปสี่สาขาแต่เรามีต้องสี่สามร้อยี่สิบสาขาเราจะทุกข์ไปทํำไมนะแล้วเขาก็ยิ้มได้นะเขาก็เป็นคนอารมณ์ดีทั้งที่ถูกเผาไปสีสี่สาขาแต่ไม่ทุกข์เพราะอะไรก็ฉันยังมีต้องสามร้อกว่าสาขาแต่คนบางคนเนี่เงินหายสิบาทยีิบบาทก็ทุกข์ละทั้งที่ตัวเองมีเงินในกระเป๋ามีเงินธนาคารนี่เป็น เป็นหมื่นเป็นแสนนะความเจ็บปวยก็เหมือนกันนะนะบางส่วนเราจะไม่ดีแต่อีกหลายส่วนอีกมากนี่ยังดีอยู่และยังสามารถจะทําให้เราอยู่อย่างปกติสุขได้นั่นะนี่เราก็ต้องกลับมามองนะอันนี้จะเรียกว่ามองแง่บวกก็ได้นะคือมองไม่ใช่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราเสียไปแต่หันมาให้ความสําคัญกับสิ่งที่เรามีแล้วก็ใช้มันให้ดีอย่างผู้หญิงคนที่ว่านี่ขณะเลือดทั้งตัวนี่ไม่ดีนะ แกก็ยังมีความสุขได้เพราะว่ายังมองเห็นว่าเออฉันยังมีตาหูจมูกริ้นกายแล้วก็รมทั้งใจด้วยนะนั้นถ้าเราใช้สิ่งที่เรามีให้เกิดประโยชน์เต็มที่เนี่ยก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องทุกข์นะนั่นการมองแง่บวกนี่ก็สาคัญเวลาเจ็บเวลาป่วยเนี่ยนอกจากมองว่าฉันยังมีอะไรดีๆอยู่บ้างฉันยังมีอะไรที่ที่ยังใช้การได้อยู่ บ้างแล้วเนี่ยก็ลองมองอีกสักหน่อยว่าเออไอที่เจ็บป่วยนี่มีประโยชน์ยังไงบ้างหลายคนพอเ้ามองนี่เขาก็อุทานขึ้นมาวนะ่โอ้โชคดีนะที่เป็นมะเร็งโชคดีที่เป็นเอดเพราะว่าไอตอนที่ไม่เป็นนี่ประมาทนะหลงเพลินกับความสุขเพลินกับการเที่ยวเตระเพลินกับการทํามาหากินแล้วก็ไม่รู้ว่เกิดมาทําไมอยู่เพื่ออะไรแต่พอเจอโรคร้าย นึกถึงความตายขึ้นมาก็ทำให้หันมาสนใจธรรมะแล้วพอมาสนใจธรรมะก็พบว่าเกิดมาเพื่อเพื่ออะไรอยู่มาดารงชีวิตยอยู่เพื่ออะไรแล้วก็พบความสุขที่แท้ชีวิตนี้กลับมามีสาระมากขึ้นนะก็ขอบคุณขอบคุณมะเร็งขอบคุณโรครายนะมีนักศึกษาคนหนึงแกเป็นลิวคีเมียเป็นโรคมะเร็ง เลือดนะทีแรกก็ทุกข์นะแต่ตอนหลังก็มีความสุขกลับมาตั้งหลักเหมือนเดิมได้และชีวิตนี้เขาดีขึ้นกว่าเดิมเขาบอกว่ามะเล็งเนี่ยนำสิ่งดีๆมาให้แก่ชีวิตของเขาข้อแรกคือว่าทำให้เขาหันมาสนใจพุทธศาสนาไม่เค ย, เยคิดเลยว่าพุทธศาสนานี้จะมีประโยชน์อย่างนี้อันที่สองหันทาให้เขาหันมา ได้รู้จักทราบซึ้งกับความรักของพ่อแม่ตอนที่ไม่ป่วยนี่ก็ต่างคนต่างอยู่นะลูกก็เที่ยวเตรหนังสือก็ไม่ค่อยเรียนไม่คยได้อยู่กับพ่อแม่แต่พอป่วยแล้วพ่อแม่ก็มาดูแลก็เลยได้สัมผัสกับความรักของพ่อแม่แล้วก็ทราบซึ้งใจมากนะคนเราเพอได้สัมผัสกับความสุขได้สัมผัสกับความรักแล้วจิตใจก็มีความสุขอันที่3ามบอกเนียว่าไอ้มะเร็งเนี่ยมันทาให้เขาได้ มีเวลาคิดมีเวลาไต่ตรองนะเพราะว่าพอป่วยแล้วเนี่ยก็มีเวลามากขึ้นก็มาไต่ตรองได้อ่านหนังสือดีๆนะรู้จักยั้งคิดมากขึ้นก็บอกว่าถ้าเขาไม่เป็นมะเร็งเนี่ยก็คงเหมือนกับนักศึกษาทั่วไปคือเขาอยู่หอพักนะก็ตื่นตื่นบ่ายสามนะไปเรียนหนังสือก็เที่ยวเตรกับเพื่อนไม่ค่อยสนใจความรู้สึกของคนอื่นอยู่ไปวันวัน แต่พอเป็นมะเร็งเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยและเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแล้วคนเราเนี่ยถ้ารู้จักมองแบบนี้เนี่ยก็ทําให้มีกําลังใจนะแต่ถ้ามองไม่เป็นนะนก็จะเห็นแต่ความความไม่สะดวกเห็นแต่ความติดขัดเห็นแต่ความทุกข์จิตใจก็เลยพลอยทุกข์ไปด้วยดการมองให้เป็นบวกเนี่ยก็สําคัญนะต้องรู้จักมองให้เป็นบวกให้ได้บวกการมองเป็นบวกหมายถึงว่าการมอง เห็นสิ่งดีๆที่ตัวเองมีอยู่ไม่ใช่เห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีที่ตัวเองพึ่งประสบหรือการน้อยเห็นว่าไอ้สิ่งที่ไม่ดีนันเนี่ยเช่นความเจ็บความป่วยเนี่ยมันมีแง่ดีอะไรบ้างนะยังไงก็ต้องมีแง่ดีอย่างน้อยเนี่ยมันก็ดีที่ไม่เลวไปกว่านี้นะเดี๋ยวเราเป็นโรคกระเพาะเนี่ยก็ลองนึกเสียว่าเออมันดีนะทีะ่ไม่เป็นโรคมะเร็ง แล้วจะเป็นมะเร็งหล่ะบางคนก็ยังมองให้เป็นดีได้นะอย่างเด็กคนหนึ่งเนี่ย เ, เขาเป็นมะเร็งสมองแต่เขายิ้มแย้มแจ่มใสามากอาสาสมองที่ไปเยี่ยมหน้าตาเนี่ยยังมองกว่าคนที่เตัวเองไปเยี่ยมซะอีกก็แปลกใจก็าถามว่าทําไมทีแรกก็ไม่ได้ถามตรงๆนะแต่ว่าถามว่าทําไมถึง ตาเลิงนะแย้มยิ้มแย้มเธอกล็ลาว่าเธอโชคดีนะโชคดียังไงเลยโชคดีที่ไม่เป็นมะเร็งเนี่ยมดลูกมีญาติคนนึงเป็นมะเร็งมดลูกเนี่ยปวดทรมานมากนะแกบอกว่าแกโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองอาสาสมัครฟังก็อึ้งเลยนะเพราะว่าตัวเองนี่ ก่อนหน้านี้วันหนึ่งนะเรามีการพูดคุยเปิดใจกันก็บอกว่าเนี่ยเขาทุกมาจําไม่ได้ว่ายิ้มครั้งสุดท้ายเมื่อไรเพราะมีปัญหาเรื่องครอบครัวปัญหาเรื่องการงานแต่พอมาเจอเด็กคนนี้นี่เด็กกําลังจะเด็กเจอโรคร้ายถึงตายเนี่ยแต่ว่ายังยิ้มแย้มได้แต่ตัวนี้ยังไกลาจากความตายเยอะนะทําไมถึงทุกข์แล้วก็เกิดได้คิดขึ้นมานะก็ ก็ได้คิดขึ้นมาว่าโอ้ให้เราเนี่ยมองแต่ด้านลบของตัวเราไม่มองด้านบวกบ้างว่าเรามีอะไรดีดีบ้างเรายังมีอะไรที่ดีก่าคนอื่นเขาบ้างนี่ถ้ามองให้เป็นเนี่ยไม่ว่าเราเจออะไรเนี่ยก็มันก็ดีทั้งนั้นนะดีที่ไม่แย่ไปกว่า น, นี้อีกอันหนึ่งที่สำคัญมากที่ช่วยในเรื่อ ง, องการรักษาใจให้สามารถละเมือความเจ็บป่วยได้ก็คือความความเมตตา ความนึกถึงผู้อื่นความใส่ใจผู้อื่นเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็สำคัญนะเราจะเรียกว่าเป็นความเมตตาก็ได้หรือว่าการที่รับเปิดใจรับรู้หรือสัมพันธ์กับผู้อื่นบ้างมีคนหนึ่งแกเปก็นโรคหัวใจมารู้ตัวเอป็นโรคหัวใจก็ตอนที่อย่ากับภรรยาแล้วอายุก็หกสิบกว่าแล้วพอรู้เป็นโรคหัวใจก็ใส่ใจในการรักษาตัวเองนะ ก็คิดว่าที่ตัวเองเป็นโรคหัวใจนี่ก็เพราะว่าการกินอาหารไม่ถูกต้องก็หันมากินอาหารที่มีไขมันน้อยมีแคลอรี่น้อยแล้วก็ออกกำลังกายแต่ทำแล้วก็ยังยังไม่ค่อยดีขึ้นมากเท่าไหร่ก็แปลกใจตอนหลังก็ไปค้นคนว้าด้วยตัวเองก็พบว่ามันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่บอกว่าคนที่เอาแต่ หมกบุนอยู่กับตัวเองไม่สัมพันธ์กับใครเก็บตัวอยู่คนเดียวเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจหรือตายเพราะโรคหัวใจเนี่ยมากกว่าคนปกติถึงสี่เท่านะพอแกได้อ่านงานวิจัยชิ้นนี้แกก็ตกใจเพราะว่ามันเหมือนกับตัวเองเลยตัวเองนี่เป็นคนที่แม้จะประสบความสาเร็จในการงานแต่ว่าไม่ค่อยสูงสิงกับใคร นะเก็บตัวอยู่คนเดียวก็มีแต่ภรรยานั่นแหละที่คุ้นเคยหน่อยแต่ว่าพอภรรยาหย่าไปนะก็ยิ่งอยู่คนเดียวหนักขึ้นก็เลยรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีปัจจัยเสียงข้อนี้แหละที่ยังไม่ได้จัดการคือการเก็บตัวอยู่คนเดียวแกก็เลยหันไปนะสัมพันธ์ไปพูดคุยกับผู้คนแล้วก็ไปทากิจกรรมเป็นจิตอาสานะ ก็ไปช่วยงานการต่างๆเปิดใจเปิดชีวิตเข้าหาผู้คนเข้าหาคนอื่นบ้างปรากว่ามันได้ผลนะโรคหัวใจของตัวเองเนี่ยค่อยๆทุเราลงทุเราลงจนกระทั่งรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นคนปกติก็จจะยังมีอาการที่ไม่ปกติอยู่บ้างแต่รู้สึกว่าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยแล้วเขาก็พูดประโยชน์ขึ้นมาว่าโรคหัวใจเนี่ยเป็นสิ่ง ที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเขาถ้าคนพูดอย่างนี้ไม่ค่อยมีนะโรคหัวใจเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับผมเพราะว่ามันทำให้เขาเปิดชีวิตขึ้นมาถ้าไม่มีโรคหัวใจก็ยังเก็บตัวอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เครียดแต่พอเปิดใจเข้าหาผู้คนช่วยเหลือมีผู้อื่นมีความอนาถาร้อนใจเดือดช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันกลับดีนะหัวใจเนี่ย พอใจใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยหัวใจก็ดีขึ้นด้วยใจใหญ่คือใจที่มีเมตตากรุณาเพื่อใส่ใจผู้อื่นห่วงใยผู้อื่นเนี่ยพอใจใหญ่แล้วเนี่ยใจหัวใจก็ดีขึ้นนะเขาก็เลยขอบคุณโลกหัวใจอละนี้มันช่วยได้เยอะนะการที่เราใส่ใจผู้อื่นมีคนนึ่งแกเป็นโลก h อ v ไวไปตรวจเนี่ยปรากฏไปมีเชื้อเอชแกก็ใจเสียเลยนะ ใจเสียก็เริ่มทําการรักษาอาการก็ค่อยอาการก็เริ่มใจแย่ลงมีอาการขึ้นมาแล้วก็ไปทีแรก็ไปหาหมอแต่ตอนหลังก็รู้สึกว่าคงแกก็ไม่ค่อยเชื่อว่ามันจะรักษาได้เพราะโลกนี้มันไม่มีใครรักษาได้ก็ตอนหลังก็ไปไปพึ่งทางพึ่งทางพระอนะคือเป็นพระทิเบตพระทิเบตนี่ก็มีชื่อนะคนนี้มีชื่อในเรื่องของการรักษา แล้วก็ท่านก็ใช้วิธีการรักษาอาศัยทางหลักศาสนาเช่นการสวดมนต์การทําสมาธิแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ท่านแนะนําให้คนไข้คนที่ทำก็คือการการนึกถึงคนอื่นเป็นการนึกถึงในแง่ที่ว่าให้เสมือนกับว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยคือทุกข์ที่เรารับมาจากความทุกข์ของคนอื่น ให้ไม่คิดว่าเนี่ยเรากําลังรับเอาความทุกข์ของสรรพสัตว์มาไว้ที่ตัวเราปกติคนเราเนี่ยเวลามีความทุกข์เนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้นึกถึงคนอื่นแต่ว่าพระที่เบสท่านนี้ท่านให้มองว่าเนี่ยความทุกข์ของเราเนี่ยเป็นเส ม, มือนความทุกข์ที่เรารับมาจากคนอื่นให้เราพร้อมที่จะทุกข์เนี่ยเพื่อที่จะให้สรรพสัตว์เนี่ยมีความทุกข์น้อยลงเพื่อให้สรรพสัตวมีความสุขมากขึ้นเป็นการเปิดใจรับความทุกข์นะมาเต็มที่เลย เขาก็ทำนะแล้วเขก็ทําด้วยความตั้งใจด้วยความจริงใจด้วยด้วยความศรัทธาปรากฏว่าทําได้ไม่นานนะพอไปตรวจหมออีกครั้งหนึ่งเนะี่ยหมอบอกว่าหาเชื้อไม่เจอละรายนี้ก็แปลกมากคงจะมีหนึ่งในหมื่นหนึ่งใ น, น, งในอาจจะหนึ่งในแสนหรือหนึ่งในล้านก็ได้นะเพราะส่วนใหญ่ไม่ถึงกับว่าไม่มีเชื้อเลยเพียงแต่ว่าอาการดีขึ้นแต่คนนี้นี่เขาหาเชื้อไม่เจอก็มีรายงานที่การมีการ รายงานศึกษาค้นคว้ากรณีนี้อันนี้ก็เป็นน่าสนใจว่าเนี่ยเวลาเขาแผ่เมตตาหรือคือเวลาเราแผ่เมตตาเราแผ่เมตตาแบบแผ่ความปรารถนาดีให้กับสรรพสัตว์เขาก็ทําด้วยแต่เขาทํามากกว่านั้นก็คือว่าพร้อมจะรับเอาความทุกข์ของสรรพสัตว์มาไว้ที่ตัวเองแล้วก็ให้คิดว่าความทุกข์ที่ตัวเองมีเนี่ยมันเกิดจากการที่เรารับเอาความทุกข์ของสรรพสัตว์เข้ามา ข้อดีคือมันทำให้เรายอมรับความทุกข์ของตัวเองได้แล้วก็ต้อนรับความทุกข์ต้อนรับโรคภัยไข้เจ็บไม่ลังเกียจโรคเอดสนะไม่ลังเกียจอาการที่เจ็บป่วยแต่ยอมรับแล้วก็ต้อนรับมันถือว่าเป็นของดีนะเพราว่าจิตที่มีเมตตาเนี่ยก็พร้อมจะรับเอาความทุกข์เหมือนกับแม่เนี่ยที่มีความทุกข์เนี่ยก็พร้อมจะรับเอาความทุกข์ของลูกมาไว้โดยที่ไม่ลังเกียจอันนี้เขาก็ทําใจแบบนั้นเหมือนกันนะมันก็กลายเป็นผลดีนะ นอกจากทําให้ใจไม่ทุกข์แล้วเนี่ยก็ทําให้กายนี้ดีขึ้นด้วยแต่ก็อย่าไปหวังนะว่าเออถ้าเราทําอย่างนี้แล้วถ้าเราคิดถึงคนอื่นแล้วนี่เราจะหายป่วยหายเจ็บมันก็อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นได้แต่ว่าอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจิตใจสบายมีคนนึงเนี่ยแกเป็นโรคโรคพุ่มพวงนะเป็นโรคพุ่มพวงแล้วก็อายุไม่มากแค่สิบเจ็ดแล้วก็ อาการก็แย่ลงจนต้องเข้าโรงพยาบาลอาวัยวาภายในนี่มันบวมหมดเลยนะผ่าก็ผ่าไม่ได้เพราะเลือดไม่ดีบาทหลวงหอธรรมาเป็นเป็นมีเพื่อนเป็นบาทหลวงก็ไปเยี่ยมเพื่อนธรมาเป็นบาทหลวงก็ไปเยี่ยมนักศึกษาคนนี้นักศึกษาคนนี้นกนนแกเป็นคริสต์แกเป็นคาทอลิกพอเจอบาทหลวงแกก็บอกเลยว่าตัดพ่อเลยว่าทําไมพระเจ้าทำให้หนูเป็นอย่างนี้นะ ฝ่าหลวงท่านก็นี่ก็บอกว่าพ่อก็อธิบายไม่ได้หรอกตอบไม่ได้หรอกแต่อย่างหนึ่งที่อยากทำก็คืออยากจะให้สวดมนต์ถุงพระจ้าแล้วก็ภาวนาให้กับเพื่อนคนไข้ที่เจ็บป่วยด้วยกันในในห้องเดียวกับคุณนี่แหละแกก็เชื่อนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณพ่อท่านก็นมาเยี่ยมทุกวันทุกวันอาการก็ไม่ดีขึ้นนะแต่สีหน้าดีขึ้นผ่องใสขึ้นยิ้มแย้มได้มากขึ้น มาเยี่นมได้สี่หวันท่านก็ไม่ว่างก็ไปต่างจังหวัดมาธุระที่อีสานไปเป็นเดือนเลยนะพอเสร็จธุระก็รีบกลับมามาเยี่ยมคนไข้เพราะว่าเสียชีวิตล้วแต่ว่าที่แปลกใจคือว่าเพื่อนคนไข้ด้วยกันในในห้องในวอร์ดเนี่ยแกประทับใจคนไข้คนนี้มากประทับใจเด็กคนนี้มากอยากจะรู้ว่าเป็นใครเนี่ยถามบาทหลวงว่าเป็นใครเนี่ย ที่ประทับใจเพราะว่าคนไข้คนนี้เนี่ยแกมีความอาทรมีความใส่ใจกับเพื่อนๆในในวอร์ดมากในห้องห้องผู้ป่วยท่านอนที่แกก็เดินดไม่ค่อยได้แกก็ยังมาพูดคุยให้กำลังใจตามเตียงมาช่วยช่วยเติมน้ำช่วยพาเข้าห้องน้ำมีน้ำใจกับคนไข้เพื่อนคนไข้ด้วยกันทั้งที่อาการแกรแย่กว่า แล้วก็เขาก็เล่าว่าตอนที่แกเสียชีวิตนี่แกเสียชีวิตแบบไม่ทุรนทุรายไปอย่างสงบมากนะเป็นภาพที่ต่างจากตอนที่คุณพ่อคนนี้เห็นแกครั้งแรกนะแกะไม่มีความสุขเลยอาจจะโกรธแค้นพระเจ้าด้วยแต่ว่าพอให้ให้นึกถึงคนอื่นให้ภาวนาคนป่วยด้วยกันเนี่ยพอแกมีจิตใจที่เอเื้อเฟื้อเกื้อกูลคนอื่นมันดีกับแกเองด้วยนะ ถึงแม้โลกจะลุกลามแต่ว่าจิตใจแกมีความผ่องใสกว่าเดิมอันนี้ก็เป็นเป็นอ น, นิสงส์อันหนึ่งนะของการของการมีธรรมะนะการมีธรรมะนี่มันช่วยทำให้จิตใจเป็นสุขแล้วก็ทำให้รับมือความทุกข์ได้ดีขึ้นและบางกรณีก็อาจจะทำให้หายถึงกับหายป่วยได้เพราะฉะนั้นเรื่องธรรมะนี่เป็นสิ่งที่เราจะมองข้ามไม่ได้ การมีสติอยู่กับปัจจุบันไม่ไปกังวลกับอนาคตไม่ไปอะไรอดีตก็ตามหรือการมองในแง่บวกชื่นชมสิ่งที่ตัวเองมีเปิดรับความสุขที่มีอยู่นะรวมทั้งการที่มีจิตใจเมตตาเอือ้อเฟื้อมีความห่วงใยผู้อื่นเนี่ยทั้งหมดที่มันเป็นธรรมโอสถนะที่ช่วยเยียวยาจิตใจแล้วก็รักษาร่างกายของเราได้เอาเราก็พูดกันท่อนนี้